มีการสอบประจำปีตอนปลายภาคการศึกษาเพื่อแบ่งกลุ่มนักเรียนสำหรับปีการศึกษาหน้าโดยจะไม่มีการประกาศผลสอบให้ผู้ใดทราบเฉพาะคุณครูใหญ่และนักจิตวิทยาเท่านั้นจึงจะทราบความจริงเด็กที่สอบได้ที่1นงเด็กถูกจัดให้อยู่ห้องเดียวกับเด็กที่สอบได้ที่4และที่หและ9 12และ13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 แต่ความรู้สึกของทุกคนนักเรียนห้องกอเป็นเด็กฉลาดส่วนนักเรียนห้องขอไม่ค่อยจะฉลาดนักผู้ปกครองบางคนของนักเรียนห้องกอทั้งประหลาดใจและพอใจที่ลูกลูกของตนสอบได้ดีมากเลยตอบแทนด้วยการให้รางวัลและคำชมเชยยกย่องในขณะที่ผู้ปกครองบางคนของนักเรียนห้องขอดุว่าลูกของตนว่า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 ถึงการสอบปลายภาคผลสอบที่ปรากฏทําให้รู้สึกหนาวได้ทีเดียวแต่ไม่น่าประหลาดใจนักนักเรียนห้องกอทำสอบได้ดีกว่านักเรียนห้องขอมากราวกับว่านักเรียนห้องกอในปีนั้น